วิชาพระผู้ปราบมารพระผู้ทรงยานสูงสงาราศีองค์ลวงปู่พระมงคลเทพมูนีสาธุดีผู้คนพบวิบชาแสงนธรรมส่องด้วยพระธรรมกายเห็นสุดตลอดสายทางวิบชามขรนยอดบุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์เลิศล่น ผจนกับหองมวลปวงมน์ผู้คนพบวิชาธรรมเมื่อกายประสอดเลิดลำพระเา้ า, าโลกเข้าถึงธรรมในกลางใจใสเด่นเป็นสิรบริสุทธิ์สมณธรรม เปี่ยมบุญญายิ่งบารมีพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมานนมกราบกรานบูชาองค์หลวงผู้พระผู้ปราบมานพระผู้ทรงยานเจ้าชาญยิ่งในกายทรรมมหาปูชนียาจาผู้เป็นยอดเนื้อนาบุญ ใชเปลี่ยมบารมีแผ่สวัยพระคุณยิ่งใหญ่นิ่งนับอ น, นันต์ขอให้เราได้ติดตามสร้างบ้า ธรรมกายประเสริฐเลิศล้ำพาชาวโลกเข้าถึงธรรมในกลางใจใสเด่นเป็นสี นอมก ร, ราบกราบบูชาองค์หลวงู้กระู้ประมานพระู้ทรงยานเจ้าชานยิ่งในกายทรรมมหาปูชนียาจารย์ผู้เป็นยอดเนื้อนาบุญองค์พระู้ทรงใช้เปลี่ยมบารมีแผ่สวัยพระคุณยิ่งใหญ่อิ่งนับอนันต์ขอให้เราเด้นติดตาม ชีวิตเป็นเดิมพันขอสังุ่นติดตามองพระผู้ปราบมานมุนบารมีท่านประมวลอวยพรสุขลำําร